บรรดาเพื่อนพิสูจน์สะเินทั้งหลายและบรรดาญาโยงพระเถริษัทนี้ทานก่อนนอนวันนี้ก็ต่อเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าแม้ว่าตอนนี้ไม่มีนำมนต์เสแล้วเลิกกันที่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรเสด็จไปเมืองพายซาลีพายเจ้าพิมิสารจัดการบูชาใหญ่ไปส่งลงน้ำถึงคอ แล้วทางเมืองไพยสลีก็จัดการบูชาใหญ่มีการป ร, ราบพื้นที่ทั้งสองฝั่งแปดแปดโยชน์โรยดอกไม้ห้าสีแค่เขาแล้วก็พากันจัดฉัดให้มีการบูชากันหนักและเวลาที่พูะเจ้าทรงเหยียบพื้นธรณีเมืองไพยสลีคือฝั่งโน้นเป็นข้างแรกฝนตกหนัก บรรดาประสงค์นั่งไปชมกันว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์จริ ง, รงๆบรรดาเพื่อทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าที่เราอยู่ก็ท่านมาปีเศษยังไม่เคยเห็นองค์สมเด็จพระบรมโลกไปเทศน์แสดงปาฏิหาริย์อย่างเรานี้เป็นอัศจรรย์มากต้องคงต่างชมกันอย่าปากเปียกปากแฉะเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงประดิษฐ์อยู่ในพระมหาวิหาร อาศัยความเป็นทิพย์ของโสดาสานสมเด็จพระบรมโลกะลกกนาฏฟังพระคุยกันก็เข้าใจฟังรู้เรื่องหมดแลรีลาก็องค์สมเด็จพระบรมสุขคตฟังให้ดีนะครับบันดาเพื่อนพิสุสมณนนีพระพุทธเจ้าใช้รีลาแบบไหนเราเป็นสาวกพรองค์คงจะสมเด็จพระจอมไตรต้องใช้รีลาแบบนั้น อย่าทำปากเ พ, พล่พลอยว่ า, นนวาคนน้นว่าคนนี้น้องปากสีอย่างนั้นสินห้าไม่มีกำหนดสิ บ, บไม่มีมันก็สินสองร้อยี่สิบมันก็มีไม่ได้ <c oughs> การคัดค้านคำสอนขรองค์สมเด็จพระจอมไตรยพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นเดียร ถ, ถีอันนี้ขอทุกท่านระมัดระวังนะครับอย่าเดินตามเสือ เพราะเสือมันเป็นสัตว์ร้ายมันวิ่งเร็วเราวิ่งไม่ทันเสือพพธิสุดว์มดจะกัดตายรวมความว่าเมื่อบรรดาปสง์ท่านหลายนั่งไปชมกันถึงความหัสจรร์อย่างนั้นองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันทราบหมดทุกอย่างก็ยินหมดสมเด็จพระบรมสุคตจยงมาพิจารณาว่าถ้าเราไปเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟัง เธอจะมีประโยชน์กับพวกเธอบ้างไหมก็ทราบว่าเมื่อคุยจบเล่าเรื่องนี้จบอณิสงจบเหตุนะ่ะบรรดาท่านที่ฟังอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นจะได้อย่างน้อยได้ประโสชดาบันถึงอรหรันเมื่อเห็นว่าประโยชน์มีองค์สมเด็จจีนศีก็สรงผดเด็ดไปเมื่อเข้าไปใกล้ถึงที่นั่นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ปูอัสนะคือปูผ้า อาราธานายองค์สมเด็จพระบัณิแก้วประทับนั่ง <c oughs> โดยเจริยาของพุทธเจ้าพระสงค์ต้องทำตามท่านรู้ทุกอย่างแต่ก็ต้องถามว่าพิกวีดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายเธอนั่งคุยกันเรื่องอะไรมันดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็กลาบทุนในสงสาร สมเด็จพระบรมโอรสาธิ迦เ้าจึงได้มีพระพุทธติการตัดว า, าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายการที่ก็ปราดปราบทางให้ราบเรียบก็ดีแปะ ก, ก, กิและปปะโยดโรยดอกไม้ห้าสีก็ดีก้าน ร, ร่มก็ดีที่เราเหยียบแผ่นดินฝั่งโน้นฝนตกก็ดีอันนี้ไม่ใช่บารมีที่แต่าคยกบ็บำเพ็นบารมีมาดีเต็มและเป็นพระพุทธเจ้า และก็ไม่ใช่นมภาพของเทวันดาหรือผมหร้อ น, นาคปันดาลแต่ว่าเป็นผลความดีในการขอนก้อนกตถาคตที่ทำบุญนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามีผลมากเมือ ง, ง์ทสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าสนตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงหยุดอยู่ท่านนี้เป็นดีลาของค์สมเด็จพระบรมครู ถ้าไม่มีใครอารัธนาให้เล่าต่อไปท่านก็ไม่เล่าอันนี้ต้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีแล้วก็จาไว้ด้วยว่าคนถ้าเขาไม่มีศรัทธาให้เราพูดเขาจงอย่าพูดถ้าพูดไปหน่อยหนึ่งไม่ทันจบเขาไม่สนใจฟังเลิกกันซะเลยอย่าไปพูดให้มันเหนื่อยนะไม่เขาไม่สนใจฟังต้องดูตัวอย่างผู้เจจาว เมื่อว่าเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงอนัตนาองค์สมเด็จพระปทีแก้วให้ทรงตรัสเรื่องราวความเป็นมาท่านยังทรงตรัสว่าพิกเวดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายในการก่อนนี่ผมก็จะจำชื่อบ่ายเขไม่ถูกก็เมืองตักศิลา ที่ในเมืองตักศิลาในสมัยนั้นมันคนสมัยก็สมัยที่พระองค์อยู่นะสมพระองค์เองอยู่เมืองตักศซียลาเวลานั้นเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุอวิ เ, เศษสมาธิโพธิญาณเป็นพราหมณ์มีชื่อว่าสังขะใช่ไหมดูตำราเขาบอกมีพราหมณ์คนหนึ่งมีชื่อว่าสังขะแล้วก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าสุสีมะ เป็นอันว่าพราหมณ์ชื่อว่าสังขะนี่มีลูกชายคนหนึ่งที่เมืองตักศีลานะครับชื่อว่าสุสีมะต่อมาสุสีมะัวอายุสิบหกปีก็อยากจะเรียนไตรเพศก็พราหมณ์นี่ก็ถือว่าเรียนไตรเพศแล้วก็ถ้าจบเป็นพราหมณ์ชั้นดีก็เหมือนกับพระเราเรียนจบเพอไตรบิดดกที่พระพาาุทธเจ้าทรงตัดว่าเห็นใบลานเปล่าท้ออะไรไหม จบพระใจวีดกถ้าไม่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้ดีไม่มีอะไรเป็นผลลงนรกอย่างกระทั่งกับบิลาพิคุกมีการทนงตัวดัดแปลงคำสอนของพพุทธเจา้าพุทธเจ้าสอนนี้ก็สอนไปอย่างนั้นเมาโมเม า, ม า, ม า, มาในลาบสสการะมีคนเคารพนับถือมากกับโกหกหมดเท็ดอไอลิงดำมันเป็นลิงตั้งแต่เด็กๆพระพุทธเจ้าเรียกว่าไอลิง นี่เนี่ครับนี่เขาเรียกว่าลินทาคดเลยแต่ความจริงผลที่เข้ามาในเขตพุทธศาสนาผมเตรียมการเป็นพ่อคุณมาตั้งหลายปีเด็กยังไงสามารถทําคนให้มีลูกได้แต่บางเอิญมันไม่มีลูกต่นนั้นเน่ย <c oughs> อาชีพนี้เป็นอาชีพประจำของผมอะปกติเลยนี่เวลาบวชมันทั้งได้เบื่อบวชอยู่ได้นานเพราะอะไรเอือม อาหารได้กิน ม, มีมากเกินไปมันก็เอึมคนที่ไม่มีกินก็หิวแต่คนมีมากไปก็เอึมอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เอึมเหมือนกัน บ, ม บ, มบมรมงเลท่านมากเกินไปท่านก็เอึมอย่างกับท่านอะไรล่ะเนีจัจโมโบก็ไม่ดีออไปนั้นว่าเขาเล่าต่อไปดีกว่า เมื่อท่านสุสีมะท่านต้องการจะเรียนลูกชายจะเรียนลูกชายเจ้าสุสีมะนะพ่อเตียวสังขะต้องการจะเรียนลูกต้องการจะเรียนไตรเพศเรกว่าท่องมนพ่อก็บอกว่ามีพรามเป็นเพื่อนของพ่อที่ในเมืองเขาเก่งมากก็พาก็ไปหาเพื่อนของพ่อที่เป็นพราม เพื่อนของพ่อที่เป็นพานก็ดีมากรู้เป็นลูกของเพื่อนเขาเต็มใจสอนด้วยความเต็มใจท่านสุสิมะเรียนไม่ช้าไม่นานเรียนจบเร็วมีความฉลาดมากเพื่อนของพ่อดีใจมากรักมากแต่ว่าท่านสุสิมะเป็นคนมีปัญญาสูงบรารมีเต็มเมื่อเรียนไตรเพื่อจบก็มาไข่ครวน เว่าความรู้ที่เราเรียนนี่มันได้แต่ในเบื้องต้นกับทำกลางเห็นเท่านั้นเองเห็นเบื้องต้นกับทำกลางแต่ไม่เห็นที่สุดญาติโยมพุทธบริษัทเข้าใจไหมได้เพื่อนพิสุสงฆ์สมณีนนที่รักเข้าใจไหมเบื้องต้นคือการเกิดเป็นมนุษย์เทวดาทำกลางคือการเกิดเป็นพรหม นาที่สุดนั่นหมายความหนีการจากการเกิดต่อไปคือ น, นิพพาน <c oughs> ฤฤฤวิชาของพรามไม่มีท่านสุสิมะพิจารณาไข่คนแล้วไข่คนเ อ, ก, เอกมันไม่ถึงที่สุดมองไม่เอ็นี่สุดว่ามันจะไปจบชีวิตเมื่อไหร่นั่นหมายความ้เกิดแก่เจ็บตายมันน่าเบื่อแล้วไม่ควรจะเกิดแก่เจ็บตายต่อไปมันควรความรู้ที่เราเรียนคนนีพ้นจากการเกิดการแจก แก่การเก็บการตายยิงก็ไปถามอาจารย์บูกท่านหลุงค ร, รับความรู้ที่ศึกษาเนี่ยผมมองเห็นได้เบื้องต้นกับทํากลางแต่ก็ไม่เห็นที่สุดพอจะเข้าใจในที่สุดไหมครับก็จะสอนผมได้ไหม <c oughs> ท่านพ่อบุญธรรมหรือท่านลุงก็บอกว่าฉันก็เห็นแค่นั้นเหมือนกัน เห็นได้แค่เบืต้นกระทำกลางที่สุดก็มองไม่เห็นท่านสุจิมาก็ถามว่าใครครับที่จะเห็นท่านพ่อก <them> ็ท่านเพื่อนของพ่อก็ออเลยบอกว่าเขา์นี้เห็นเรืีในป่าเรือศีในป่าเห็นที่สุดท่านสุจิมาก็ ล, ลาไปหาเรืีในป่าในป่าโดยความจริง พราหมณ์เขาคิดว่าเป็นเหลีได้ความจริงเป็นพระปบาเจกพรพุทธเจ้าเวลานั้นพระปบาเจกพุทธเจ้ามากพระไปเวลาว่างจากพระพุทธเจ้าเมื่อสิ้นศาสนาพระเจ้าองค์หนึ่งก็มีพระปบาเจก พ, พระุทธเจ้าบรลุขึ้นมาไปหาพระปบาเจกพุทธเจ้าถามถึงที่สุดเชิงการปฏิบัติให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพระปบาเจกพพุทธเจ้าบอกคณะของเรามี คณะของเราทุกคนเนี่ยศึกษา ถ, ถึงที่สุดในกันทั้งหมด <c oughs> แล้วเมื่อศึกษาถึงที่สุดแล้วต่อไปขึ้นชื่อว่าการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่มีอีกมีแต่ความสุขมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายมัน้องเกิดแก่เจ็บตายต่อไปท่านสุจิมะก็ขอศึกษา มันดาพระบาเจพระเจ้าผู้เป็นอโมรโศก็บอกว่าศึกษาได้ที่นี่ไม่หวงใครอยากจะศึกษาศึกษาได้ก็ขอเรียนเดียวนั้นถ้าบอกเรียนเดียวนี้ไม่ได้หรอกเพราะแต่งตัวไม่เหมือนกันคนจะเรียนวิชานี้ต้องแต่งตัวเหมือนกันถ้าแต่งตัวไม่เหมือนกันเรียนไม่ได้ทั้งนี้พ่ออะไรพระวสุสิมะศึกษาวิชาของพระ แต่งตัวแบบพราหมณ์พระเบเจพระเจ้าอย่างถือว่าเป็นความรู้ที่ต่ำแต่พราหมณ์ทนงตนว่าเป็นเป็นพวพพรหมเป็นเพศที่สูงไม่ได้กูนิสงมานะมันยังมีอยู่ถ้ายังแก้มานะบอต้องแต่งตัวเหมือนกันดูที่เขาจะยอมหรือไม่ยอมแต่ความจริงพระเบเจพระเจ้าก็คล้ายเคืองพรนะพุทธเจ้านัอย่าลืมมีกําลังสูงพระอารหันมาก เป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งแต่ว่าไม่สอนใครเป็นสาธารณะต้องการเฉพาะคนที่มีศรัทธาไปหาท่านเมื่อท่านสุติมัฟังแล้วก็ตั้งใจเอา้าบวชก็บวชแต่งตัวเหมือนกันท่านกับปลงผมน่งสบงทรงจีวรเหมือนกันพระประเปโจพุทธเจ้าจัดหามาให้แล้วก็ตั้งใจศึกษาในที่สุดไม่ช้าใช้เวลาไม่กี่วันท่านก็บรรลุเป็นพร ะ, ประเปโจพทุทธเจ้า แต่ว่าการเป็นพระปเจ้าพระเจ้าท่านนั้นก็เป็นไม่นานอีกเหมือนกันอยู่ไม่นานไม่สักกี่วันนักแล้วก็เห็นที่ประมาณสักเดือนจะได้มั้งทงนน่านก็ต้องนิพพานทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะว่าถ้าบอกกรรมประเภทหนึ่งที่ทำให้ยุสั้นจะต้อง น, นิพพานมาถึงท่านทนน่านก็ต้องนิพพานกรรมประเภทนั้นก็คืออํานาจของอกุศลกรรม ที่มีโทษปาณาติบาตมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติมันเข้ามาตามทันเนรบันดาเพื่อนไปสูตสมณเณรฟังแล้วก็จำไม่ด้วยนะไอ้ญาโยมพุทธบริษัทก็เหมือนกันเคยมาหาตามาบ่อยๆอยากจะมีอายุยืนบ้างมีโรคภัยไข้เจ็บขอให้ช่วยรักษาบ้างอาตามาเองนี่ก็ป่วยมาจริงๆเข้าเป็นปีที่สามแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเลย ท้องไส้กบรบกวนเวลาที่พูดอยู่เวลานี้คนหนักเพราอวานนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดเป็นวานก่อนพูดนี่ <c oughs> ตั้งใจจะมาพูดพอเริ่มจะทั้งท่ายพูดทั้งเสมหะทั้งจมูกหายใจไม่ออกมันรอดซะอย่างหนักวันนี้ก็เอาเหมือนกันแต่เบาหน่อย ในเมื่อมันเบาเว้นใจการพูดประเภทนี้มาเป็นเดือนพระก็ฟังซ้ําแล้วความอีกก็เลยคิดว่าในเมื่อมันไม่หายแลว้วก็ให้มันหายไปซะเองพูดให้มันตายไปเลยหมดเรื่องหมดราวในนัยตายถ้าคุยเรื่องธรรมะจิตใจมันชุ่มชื่นอาการจิตใจมันก็ดีร่างกายไม่ดีแต่ใจมันสบายในเรื่องโทษปรนติบาตเนี่ยทำให้ป่วยไข้ไม่สบาย แล้วก็ทําให้ยุ่สั้นผ่านตายยันท่านสุสิมะท่านพระบัจเจพผู้เจ้าทรงนาม่าสุสิมะนิพพานแล้วควันดาพระบัจเจยผู้ติจ่าทั้งหลายก็ชาวเมืองก็พากันมังไพรสลีนะพากันทําชาวมณฑกเผาศพท่านแล้วก็สร้างสถูปสร้างเจ ด, ดีย์มือนรูปบาทความบรรจุกระดูกของท่านต่างคนต่างไหวบูชา ไม่เวลานั้นปลายกัวสังฆพราหมณ์เห็นลูกชายไปนานก็คิดถึงตอนนี้พ่อลืมบอกแต่ตอนต้นท่านบอกว่าตาถาคตทําบุญเล็กน้อยแต่ได้ผลใหญ่ <c oughs> ก็ไปหาเพื่อนถามว่าเพื่อนลูกชายอยู่หรือเปล่าเ <c oughs> พื่อนก็ บ, บอกว่าเขาเรียนจบแล้วเขาไม่พอใจเขาไม่เห็นที่สุดก็ขอไปเรียนกนระดกสีในป่า ท่านก็ไปที่เมืองพาราณสีไปจากเมืองตากศิลาไปเมืองไผ่สลีนะคิดว่าคนแถวนั้นอาจจะรู้เรื่องบ้างเห็นคนเขาชุมนุมกันมีการบูชาทำบันไดทักเสียงเบียนเทียนพระสัตว์ถูกก็เข้าไปถามคิดว่าคนแถวนั้นคนที่ข่าวลูกชายเราบ้างก็ไปถามว่านี่พ่อทั้งหลายแม่ทั้งหลายได้ข่าวสุสีมะมานพมานี่บ้างไหม คนทั้งหลายเหล่านั้นทำไมเขาจะไม่รู้ล่ะกําลังเวียนเทียนพระสถูธ ข, ของท่านโอ้สุติมะนะเหรอท่านสุสิมะเป็นพระปัจเจกพระเจ้ายังหนมเด็กมากอายุประมาณสิบหกสิบเจ็ดปีแต่ความดีของท่านมีมากแต่กรรมบางอย่างทำให้ท่านตอง น, นี้ผ่านไจแล้วพระกับเจ้ากําลังเวียนเทียนกับท่านเนี่ยทำชาวบนิจิตเสร็จเร็จก็ทำสุโ ใช้เครื่องบรนดับแล้วก็เวียนเทียนบูชาความดีของท่านสังก็พรายในยืนอย่งนั้นก็ร้องไห้แง่ๆง่งแล้ว โ, โหโหโหแง่แง่งกนยืนเด็กก็ร้องไห้เสียใจายมากทำยังไงเระเขาบูชากันนี้ท่านเดินทางไม่มีอะไรามมาก็เลยเอาผ้าของม้าของท่านดีไปนั่นแหละ ไปกอบทรายข้างนอกใสพก่พากะมาห่อมาก็โปรยปลายทางทําให้ทางข้างๆพระสถูปนั้นราบเรียบคือข้นทรายมาใช้พากามาหอ่อไม่มีอะไรใช้พะกมามจนทางเรียบพอใช้ได้จะให้มันดีพระถนนนั้นไม่ได้แล้วไปเอาต้นไม้ที่มีดอกมาปลูกข้างๆพระสถูปแล้วก็น้ํามารดต้นไม้ แล้วก็มันมีอะไรทำถงก็ผ้าฉัดพระเขม่าเาานี่ยทำธงคือไปปักบนยอดมีร่มอยวอันหนึ่งเข้าไปกลางบนยอดพระสถูปยันี้กว่าพระสถูปแหลมเปียบอยางจะดีไม่ใช่นะรูปบาดความขึ้นไปได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศัจสันดาจีเนศทรงแต่งกาสุ์ทั้งหลายว่าพิฆวีดูก่อนบิสุทั้งหลาย ตถาคตทำบุญเล็กน้อยเท่านี้เป็นปัจจัยให้ได้การบูชาในสมัยนี้คือที่พระเจ้าพิมิสานบูชาก็ดีพระเจ้าเมืองไพรซาลีบูชาก็ดีาาาาดนาคคนทันเทวดาพรมบูชาเป็นการใหญ่ยกฉาดกันทั่วจักรวาลก็ดีเป็นบารมีในสมัยที่ตถาคต เ, เป็นสังฆพราม บูชาท่านสุสีมะพระปฏิเจกับะพุทธเจ้าึ่งนกล่าวเป็นอย่างอย่างว่าการที่เขาปราบพื้นที่ให้เรียบแปดโยช์คือฝั่งนี้ห้าโยชน์ฝั่งโน้นสามโยช์รวมเป็นแปดโยชน์นั้นอันนี้สงมาจากการเกลี่ยทรายเอาทรายมาโปร ย, ยปลายทำให้ทางข้างๆพระส ถ, ถูปเรียบพอใช้ได้ มันไม่เรียบเหมือนถนนถ้ทําให้มันเป็นหลุมเป็นบ่ ก, ก็ไปทําให้มันเต็มนิดนิดหน่อยๆเพราะเป็นทางลิดดทางเรียบดีกว่าเที่ยงตะวัเดินบกโหรแหงท่านบอก อ, อันนี้สองนี้เป็นปัจจัยเขาปรางเขาทําปรับทางให้เรียบแต่โยติถาทถาก็จะเดินไปเ <c oughs> ลยก็อาศัยที่เอาต้นไม้ดอกมาปลูกข้างๆสถูปเป็นการบูชาพระปฏิจพุทธเจ้าที่มีนามาสุสีมะ ก็เป็นเหตุให้สองฝั่งข้าวดอกไม้ห้าสีมาโปรยปลายในระหว่างทางสูงประมาณเขาที่จะเราตถาคตเดินไป <c oughs> การที่จะเขาจัดฉัดให้แกตถาคตก็ดีคือร่มให้กับบรรดาพระสงฆ์ก็ดีเพราะอานิสงส์ที่ตาทาคตจัดร่มเอาไปกลางไว้บนยอดพระสถูก การที่เขาจัดทงทิวปากเรียงรายเพืตะต้นทานและปายทานทั้ ง, งสองฝั่งและเทวาดาและพมมุท น, นาคจัดทงปัสตาจัดทงแก้วมณีแก้วประพันทงบิเศษนั้นก็เพราะาศสยผ้าเข้ามาที่เราไปทำทงบนยอดพระศถุการที่จะถาคตเหยียบเมืองไพ่สาลีบรรมาระแรกที่เท้าถึงและพ้นฝนตกใหญ่ก็เป็นปัจจัยจากการนาเอา นำเอาน้ำมารดต้นไม้ที่เป็นไม้ดอกเป็นปัจจัยฝนตกใหญ่อันนี้แหละบรรดาเพื่อนวิสุทธสมณนทั้งหลายทหยญาติโยงพุทธบริษัตวฟังของท่านแล้วก็จำให้ดีว่าการบำเพ็ญกุศลบุญยาราศีท่านเล็กน้อยมันมี น, นิสง ม, มากอย่างนี้แต่ว่าเราจะต้องบูชาโดยศรัทธาแท้อย่างไว้ของเรานี่ พระทำงานหน้าที่กันคนละอย่างทุกคนองค์ไม่มีใครรังเกียจกันจวทั้งมีหลายๆท่านมาป ร, รบาบบัวพระที่วัดนี้เอางานเอา ก, การจริงจต่างคนไม่รังเกียจกันไปไเป็นที่ชื่นชมยินดีนี่เป็นความดีของพวกท่านอย่าทิ้งความดีเสียยงรักษาความดีเหมือนเกิดรักษาความเค็ม ดูอานิสงส์ที่พระเจ้าทรงทําเล็กน้อยเม่มีผลขนาดนี้ก็อานิสงส์กองกพวกท่านล่ละจะไปแจกแจงอานิสงส์กันให้จะไม่ไหวแน่พวกท่านทํางานกันทุกประเภทใครถนัดทางไหนทําทางนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่อย่างสลาหน้ า, า, า ร, ร้ยก็ดีทําให้โมกก็ดีฝ่ายควบคุมการก่อสร้างก็ดีทํางานเบ็เสร็จเป็นช่างทุกประเภทช่างควบคุมต่างๆทำงานเกี่ยวนังสื้อ ต้องมีการคล่องแคลวในการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เห็นไปมาชันในปัจจุบันวัดของเราไม่ได้ตั้งโรงเรียนนักธรรมผมไม่สอนนักธรรมพราะอะไรเพราะนักธรรมนี่ไม่จําเป็นจะต้องสอนถ้าสอนแล้วไม่รักจะเรียนมันก็สอบไม่ได้สอบได้ก็เอาเรดีออะไรดีไม่ได้ไอ้ที่วัด เลวๆกันเป็นนักทำตรีนักทำโทนักทำเอกเป็นประเรียนไหนตะเบียนไหนเลวเยอะแยะถมเถไปแล้วเป็นอะไรต่ออะไรกันขึ้นมาเขายกย่องสรรเสริญก็ยังไม่ทิ้งเลวนั่นเพราะการศึกษาไม่ได้ประกอบด้วยศรัทธาแต่วันดาท่านยังหลายปรากฏได้นะักทำตรีบ้างนะักทำโทบ้างนะักทำเอกบ้างในการดูเองดูหนังสือเองแล้วไปสอบก็ไม่มีใครตกสอบ นี่เป็นผลความดีที่ในด้านศรัทธาตั้งใจจริงของท่านอาศัยบา ร, รมีช่วยระยะโยมพุทธบริษัทช่วยคนไม้คนมือประเภทช่วยด้านอาหารนี่ตายไปแล้วกินไม่ไหวถ้าเกิดใหม่เ้าสร้างวิหารานนี่ก็รวยใหญ่ถ้าไว้ชั้นทานก็นรวยใหญ่ประเภทจัดสนามหญ้าปลกดอกไม้นี่ไม่ต้องห่วงโดยพระพุทธเจ้าท่านต้นไม้ไม่กี่ต้นมาปลูก คนบูชาขนาดหนักโหดทำที่ทาทางปราพพื้นที่เรียบว้อยโตมาตั้งอันนี้อันในสงยใหญ่ท้านพันนากักไม่ไหวได้ความดีทั้งหลายทั้งหมดนี้ที่ทำกัน <c oughs> แล้วอาจจะทำงานไปตามหน้าที่บ้างถ้าถูกก็ตั้งอยู่ในเกณฑ์ทำให้เป็นหน้าที่จะต้องทำบ้างแต่ว่าทุกอย่างนี้เป็นปัใจจัยให้ทุกคนเข้าถึงมนิพาน ทั้งนี้เพราะอะไรคือคนที่ทําถ้าทุกท่านนี่ทําจริงๆเป็นพวกมีปัญญาบา ร, รมี <c oughs> ถ้าท่านไม่มีปัญญาบา ร, รมีท่านทําไมได้ถ้ามีปัญญาบา ร, รมีบา ร, รมีเดียวเป็นบา ร, รมีครอบเกรวาลทํางานเดียดเหนื่อยที่อดทนได้เพราะอาศัยวิญญริยะบารมีและกับขันติบา ร, รมีรวมความความดีของทุกคนมีเพียพร้อมแล้ว ก็สมควรที่เป็นสาวกระคองค์สมเด็จพระบาทีบแก้วฉะนั้นขอทุกท่านเมื่อมีความดีจงรักษาความดีเมื่อเกลือรักษาความเค็มเพราะเกลือจะไปอยู่กับส้มเกลือก็เค็มเกลืออยู่กับน้ำตาลเกลือก็เค็มเกลือไปอยู่กับยา ด, ดําเกลือก็เค็มไม่ทิ้งความเค็มของเกลือชั้นใดขอพวกท่านอั้นหลายที่มีความดีแล้วจงรักษาความดีเมืเ่อเกลือของเมือเกือรักษาความเค็ม ย้ายความดีถอยไปเวลาหมดแล้วนีพพุรับแต่นว่าเทศจบตอนนั้นพ้นลืมไปบรรดาเมื่อพระเจ้าพูดเล่าเรื่องนี้จบบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งหมดที่เป็นบุตรชนก็บรรลุปโสดาบันบ้างสิกทาคามีอนาคามียรานก็บ้างเป็นแถวเมื่อเรื่องจบแล้วก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคล สมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บันดาท่านพุทธศาสนิกชนกัะเพื่อนิศ้สุ์สมานเณรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี